มีไหมหลวงพ่อบอกได้เลยเมืองอุดรทั้งเมืองอุดรน่ะนะเขาก็อยากจะได้พระวัดป่าบ้านตาทั้งนั้นแ่ะแต่หลวงตาไม่ให้หลวงตาไปทําไมอพระออกนอกวัดบ่อยๆไม่ไม่เป็นผลดีอองค์ที่ได้มากนันองค์นั่นได้ไปบ้านเอคนรวยองค์นี้นได้ไปบ้านคนจนเอาไปมากมาทะเลาะกันในวัดมานับห้านับสิบอยู่ในวัดเน่ย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 เวลาไม่เวลาไม่อยากจะให้พูดอยากจะพูดสแสดงความคิดเห็นจนหมูลำคาญเวลาจะเอาเป็นพูดเป็นจิตจะลักษณะพูดไม่เป็นไม่รู้จะขึ้นต้น เ, เดินไปยังไงวิธีการพูดนั่นแหละบอกยี่ห้อความโง่ของตนเองทั้งหมดนี่ลโลกเมืองไทยของเราลักษณะอย่างนั้นเดี๋ยวนี้นะ เ, เมืองไทยของเรา ในเมื่อเขาคนหนึ่งเขาขึ้นไปบนเวทีพวกเรามีหน้าที่ฟังดูวิธีการเขาทำเป็นยังไงไปในทางที่ถูกต้องไหมถ้าใ่ทางไม่ถูกต้องเราก็พร้อมที่จะเรียกคนนั้นลงมาถามได้ว่าคุณพูดอย่างนั้นทาอย่างนั้นมีเหตุผลอะไรมันมันน่าจะพูดได้ถามได้นะแต่ไม่ต้องไม่ต้องก่อมบออไปถามเขาหรอก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 กาเปลี่ยนองหลวงตาเนหลวงตาหลวงพ่อก็วัดเหมือนกั น, ลนกลัวท่านจะขมเณรแต่บัดนี้ลูกตาจุตินิพพานไปแล้วเนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องแสดงความคิดเห็นจะไปอมลิ้นอยู่ทำไมมันเป็นโอกาสมันเป็นกังหวะถ้าเราไม่พูดส่วนนี่จะเสียหายต่างหากเพราะอะไรเพราะมันมาถึงยุคของเรามันมาถึงยุคของเราที่จะต้องแสดงความคิดเห็นแล้วทนี มันเป็นใครนอกจากเราไปแล้วมีองค์ไหนบ้างใอแต่เราแสดงความคีดเห็นมันผิดที่ตรงไหนเราก็ประกาศเีกเหมือนกันประกาศออกเลยว่าที่หลวงพ่ออินพูดออกไปนี่นมันไม่เป็นศีลเป็นธรรมมีตรงไหนลูกหลานคณะสัทธายาิโจมหรือครูบาอาจารย์ทั้งฝ่ายปริยัตก็ดีทั้งฝ่ายปฏิบัติก็ดีถ้าหลวงพ่อพูดออกไปนี่ตรงไหน ไม่เป็นศีลเป็นธรรมบอกเนอะหลวงพ่อที่จะพร้อมผู้จะปรับพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขในมิตรสาธิติตรงนั้นที่มันไม่ถูกต้องตรงนั้นนะแต่หลวงพ่อมั่นใจในการแสดงออกด้วยการบอกกล่าวให้กับคณะสัตายาติโยลูล้ลาดเอาศีลเอาธรรมมาสอดมาบอกมีหลักอ้างอิงแล้วก็วิธีการประพฤติปฏิบัติทำตนอย่างไร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 ทำไมหมดท่าเลยเนี่ยนะเพราะตัวเองว่าคิดว่าตัวเองฉลาดเอไปขายยาบ้าเนี่ยตัวเองฉลาดเอที่ไหนได้พอเขาจับได้ขึ้นมาหมดท่าเลยเอออนะเาความโง่เอาความฉลาดตัวเองเอาไปใช้ในทางที่ผิดเพราะนั้นผู้อยู่ในมุมโลกใดก็าตามนะเอถ้าว่าผู้ใดประกอบคุณงามควรเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติ